เช้านี้มันกลับไปเป็นเหมือนเช้าเมื่อวานนะครับมันเต้นเต้นแล้วมันก็ไม่ยอมให้เราดูนิ่งๆได้ง่ายๆครับมันเหมือนมันดิ้นสู้เราให้ไม่ต้องไปสู้กับมันมองภาพรวบยอดเลยว่าจิตมันฟุ้งซ่านพอเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะมันจะเข้าที่แต่ถ้าไปพยายามดูรายละเอียดมันยิ่งถล่มดูเล่นๆดูเหมือน เห็นคนอื่นฟุง้งโดยปกติวันที่ห้าเนี่ยเริ่มฟุ้งแล้วคนทั่วๆไปเวลาไปอยู่วัดนะวันแรกวันที่สองอะไรเนะี่ยฟุ้งสร้างสามวันสี่วันอะไรนี้ค่อยเรียบร้อยหรือว่ามันเป็นความฟุ้งที่ไม่เหมือนวันแรกวันแรกๆนะครับมันเป็นความฟุ้งลักษณะเอ่อมันไม่ได้กระจายไปกระจายมาแต่ว่าเหมือนกับเราพยายาม ขมวดมเข้ามาแล้วมันไม่ยอมหรอแล้วถูกแล้วครับเห็นถูกต้องแล้วให้ดูไปนะด้วยใจที่เป็นกลางจําหลักให้แม่นให้รู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางไหมถ้าจิตไม่เป็นกลางจิตจะทางานต่อถ้าจิตทํางานในจิตปรุงแต่งนะความทุกข์จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นขันนะั้นทำงานไปขันปรุงแต่งไป ขันน่าเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองเราไม่ทุกข์ไปกับขันเมื่อวานท่านว่ายังซึมๆก็ก็กลับไปก็เห็นว่าซึมแล้วก็พอกลางคืนก็เกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาพอเชา้านี้รู้สึกว่าจะมาซึมอีกแล้วอให้รู้ทันนะจิตซึมกับจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตที่เข้าคู่กันถ้าไม่ไม่ฟุ้งก็ซึมไม่ซึมก็ฟุง้งให้รู้ทันให้รู้นะทันให้เห็นตามไปนะ เหมือนจิตมีโทสะกับราคานะสลับกันช่วงไหนราคารุนแรงอีกช่วงหนึ่งโทสะรุนแรงช่วงไหนโทสะรุนแรงอีกช่วงราคาแรงเป็นธรรมดานะธรรมด้ mm hmm. ให้รู้ทันต้นนะ ค, คิดว่า5วันที่ผ่านมารู้น้อยกว่าปกติครับสงสัยอย่าตั้งใจมากไปตั้งใจเยอะไปครับดีผมผมมาครั้งแรก เคยฝึกมาแบบไหนล่ะก็ส่วนมากอ่านอ่านหนังสือมาครับนะส่วนมากหนังสือของอาจารย์ก็อ่านแล้วอาจารย์บางครั้งเนี่ยอย่างอย่างเมื่อวานพอดีเป็นหมอทำผ่าตัดนะอาจารย์อะไรเป็นเป็นเป็นนายแพทย์นะอาจารย์แล้วก็เมื่อวานทําผ่าตัดเนี่ยบางครั้งรู้ว่าอพอดีคนไข้อยากทําให้เขาดีครแต่เขาดิ้นมากเลยนะดิ้นแบบอายุประมาณสัก81แล้วเขาไม่ค่อยรู้ตัวบางครั้งก็รู้สึกว่าโกรธขึ้นมาทันทีปรากรสักพักก็อืม อยากจะมียลงขึ้นมาพอนึกได้ก็ข่มไว้นิดนึงว่ามันเป็นหน้าที่เราที่ต้องทำต่อนะาทสักพักหนึ่งกาก็ดินใหม่ทีนึงหาคนจับตั้งสองคนกว่าที่จะทำสำเร็จได้ก็ข่มมาลงตัวเองพอสมควรอยู่คือตรงที่เราเห็นโทสะเนี่ยดีแล้วนะตรงที่ข่มไว้เนี่ยเป็นส่วนเกินแต่ว่าโดยที่เรายังไม่ชำนิชำนานการปฏิบัติข่มไว้ก่อนก็ดี ได้ไม่ทําอะไรผิดทางกายทางวาจาแต่ถ้าเราจเจริญสติชำนี้ชํนานาญขึ้นว่าจิตมีโทสะเรารู้ว่ามีโทสะเราจะเห็นในจิตที่มีโทสะมันไม่ใช่ตัวเรามันมีของมันเองใจของเราเป็นแค่คนดูมันเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นจิตมีโทสะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็ดับไปต่อไปสภาวะอย่างอื่นนอกเหนือจากโทสะเช่นราคะโมหะอะไรต่ออะไรนะอิจฉา กังวลอะไรเกิดขึ้นมาเ้าก็ดูแบบเดียวกันคือเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเราไม่ได้ไปแก้ไขมันนี่การปฏิบัติเนี่ยมันมีส่วนมากพวกเราชอบเก็บกดเราไปไปกดมันพอสภาวะธรรมอย่างกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเราไปพยายามเพ่งๆไปกดๆมันมันจะไปซ่อนตัวไว้อย่างนี้ไม่ดีนะถ้าเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาเราสักว่ารู้สักว่าเห็นนะจะเห็นมันผ่านมาแล้วผ่านไป จะไม่ไปกดเหมือนไว้อ่ไปใจเราจะลิ่งเบาสบายยิ่งภาวนาจะยิ่งสบายแต่ถ้าเราฝืนเราต่อต้านกิเลสนะเราจะเหนื่อยเราจะทำแกจิตใจเราคล้ายๆเรือลําใหญ่ๆจอดอยู่ในแม่น้ําในทะเลเงี้ยจอดทอดสมออยู่น้ําไหลมาเรือนี่ไม่ไหลาตามน้ำํำ ใ, ใจเราไม่ไหลาตามกิเลสในขณะเดียวกันเรือไม่เคยต้านน้ํา เราก็จะปล่อยให้น้ำไหลผ่านไปใจเราจะสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ต้านถ้าเราพยายามแก้พยายามเก็บกดพยายามอะไรเราไปต้านมันขอถามคําถามอาจารย์ทั้งที่เราเราก็รู้แล้วนะว่าสังขารนี่ไม่เที่ยงนะนะตัวสังขารนี่เป็นเป็นทุกข์อยู่นะครับนะแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยทำไมเรายังยึดติดกับมันอยู่เพราะเราไม่เห็นจริงนะเราเห็นกับจิตเห็นเนี้ยคนละอันกันเราเห็นด้วยเหตุด้วยผล แต่จิตเราไม่ยอมเชื่อจิตเราจะมีไบแอสมากเลยรักรักตัวเองอย่างรุนแรงนั้นระหว่างเราเชื่อแต่จิตเชื่อเนี่ยไม่เหมือนกันทุกวันนี้ที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายคอยรู้กายค่อยรู้ใจให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยนะเพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงมันจะต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงวันหนึ่งมันถึงจะยอมจำน้นกับข้อเท็จจริงจิตนั้นมันดือ้อ เราไม่ค่อยดื้อ น, นะเราเจอความทุกข์เราก็รู้สึกความทุกข์ไม่ดีนะเราอยากนิพพานแต่จิตไม่อยากนะจิตอยากอยู่กับโลก้จิตกับเราเป็นคนละตัวกันก็ช่วงนี้ก็เผลอเผลอไปคิดบ่อยค่ะแล้วก็บางทีก็เผลอไปห้ามความคิดด้วยแล้วก็จะเห็นความอึดอขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมค่ะ น, นี่นะจิตมันเคลื่อนออกไปข้างนอกตอนเช้าเชาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะเช้าเชเป็นเวลาของโมหะ กลางวันก็เป็นเวลาหากินของโทสะนะค่ำๆกลางคืนเป็นเวลาหากินของราคะมันมีเวลาทํามาหากินของมันเช้าเช้าดูยากค่ะแล้เช้าจะมีโมหะเหมือนกับแบบมันจะฝันทุกวันเลยค่ะก็แบบเหมือนมันเหมือนมันฝันฝันแล้วมันก็จะคิดๆแล้วมันพอตื่นมามันก็จะต่อมาแบบจริงๆคิดเกับฝันเนื้อันเดียวกันค่ะความคิดก็คือ ความฝันตอนตื่นความฝันคือความคิดตอนหลับอันเดียวกันแหละคือใจมันคิดขึ้นมาหลงขึ้นมาให้รู้ไปถ้าฝึกสติชำนาญนะต่อไปพอนอนหลับแล้วใจจะคิดนะเห็นเลยใจจะฝันนะเห็นมันขยับตัวไปคิดใจไม่ตั้งมั่นดวกไหมเออมันเบื่ให้รู้ทันนะจิตมันมีโมหะช่วงสองสวันหลังนี้ค่อนข้างจะฟุ้งเยอะนิดหนึ่งครับ ก็สติมันช้าลงนิดหนึ่งในการเห็นความคิดนะครับใช่ได้นะรู้ได้ถูกต้องก็ใช้ได้แล้ว ค, คือแต่ละวันไม่จําเป็นต้องดีเหมือนกันแต่ละวันไม่จําเป็นต้องดีเหมือนกันเพราะว่าแต่ละวันไม่เที่ยงจิตใจเราแต่ละวันบางวันดีบางวันก็ไม่ดีบางวันเศร้าหมองบางวันผ่องใสเพราะฉะนั้นเวลาเราดูพัฒนาการของการปฏิบัติเราไม่ดูรายวัน ดูรายวันแล้วจะสับสนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราดูรายไตรามาสนะออกแบบสภาพัด3มเดือนนี้กับสเดือนก่อนไม่เหมือนกันหรอกถ้าภาวนานะถ้าไม่ภาวนามก็เหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมไหม ก, การไม่มีอะไรเฉยเฉยน ะ, ะพี่แอดก็ในช่วงที่ไม่ได้มานะก็คงจะไปอยู่ที่งานทำหนังสือสองเล่มะะแล้วก็คงจะมี หลงมาปนแต่ว่าการเพ่งจะรู้สึกจะน้อยลงค่ะดีละปัญหาใหญ่ของพี่อ่คือเพ่งที่เพ่งเพราะอยากปฏิบัติที่อยากปฏิบัติเพราะอยากดีอยากดีเพราะว่าเรารักเมื่อจิตนี้คือตัวเราเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบถ้าวันใดเราสามารถรู้ลงไปอย่างลึกซึ้งนะเห็นว่ากระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรา มันก็จะไม่รักดีรักสุขรักสงบ อ, อ, อีกแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งมจะรู้อย่างที่มันเป็นไม่ได้ไปทำอะไรขึ้นมาจิตใจก็จะสบายจิตใจของเราเองเนี่ยโดยตัวมันเองมันก็มีแนวโน้มที่จะดีเหมือนกันแต่เราเองปิดกั้นมันไว้จากมรรคผลนิพานเราไปต่อต้านาธรรมะพยายามแสดงความจริงให้ดูแต่เราไม่อยากเห็นธรรมะเราอยากเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะ ย่งธรรมะแสดงให้ดูว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่อยากได้เราอยากได้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมะแสดงให้ดูว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเราอยากให้ความสุขเที่ยงอยากให้ไม่มีความทุกข์ใจเราเองแหละปฏิสเสธธรรมะธรรมะก็เลยเข้าสู่ใจเราไม่ได้การที่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจมากเข้ามากเข้าใน eyed, เพื่อ ว, วันหนึ่งจิตใจมันจะยอมรับธรรมะ ยอมรับความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราคอยเขายอมรับความจริงเมื่อไหร่เขาจะเลิกดิ้นรนเพราะมันไม่ดิ้นมันก็ไม่ทุกข์นะไม่ดิ้นไม่ทุกข์ดิ้นที่ใดก็ทุกข์ทุกทีนะพอทุกข์ก็ยิ่งดิ้นพอยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์อีกก็เลยดิ้นไปเรื่อยดิ้นไม่เลิกหรอกแต่ถ้าเราคอยรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราหรอกเป็นของของโลกยืมเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอะไรองี้ หมดความรักในกายในใจเมื่อไหร่นะก็หมดความยึดถือหมดความทุกข์กายกับใจก็ดูแลมันไปเหมือนเรายืมของเข้ามาใช้ก็มีหน้าที่ดูแลไม่ใช่ยืมของเข้ามาใช้แล้วก็ใช้ให้พังพังไปเรายืมกายยืมใจจากโลกออามาใช้เพื่อมาทำประโยชน์ของเราเองทำประโยชน์กับคนอื่นอะไรอย่างี้มีชีวิตที่มีคุณค่า ชีวิตที่ไหลาตามกิเลสไปแต่ละวันแต่ละวันไม่เห็นมีคุณค่าอะไรหมามันก็ทําเป็นหมาแมวมันก็ทําเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วได้เจอศาสนาพุทธได้มาพัฒนาตนเองเรียนรู้ตนเองเรียนเข้าใจตนเองเรียนปล่อยวางความยึดถือตนเองมันจะมีความสุขโอ้บอกไม่ถูกความสุขเยอะมันเบาอักยีเ21เข้า ยังพยายามที่จะไม่เพ่งให้รู้ว่าไม่อยากเพ่งเพ่งนะแก่ยากส่วนมากนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งทันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัติก็คือบังคับกายบังคับใจอัตโนมัติเลยแทนที่เราจะรู้กายรู้ใจอย่างที่เป็นแล้วก็บังคับกายบังคับใจโดยอัตโนมัติเพน่อนี้พอจะรู้ตัวนี่พอเรารู้ใช้ได้ตัวเนี้สําคัญ เรารู้ว่าเราเพ่งไว้ใช้ได้ถ้าเราทําผิดทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้นะมันไม่มีวันถูกอะสิ่งที่ผิดมี2 อ, อันเผลอไปใจลอยไปลืมเนื้อลืมตัวอันหนึ่งก็เพ่งไว้เพ่งไว้บังคับไว้เพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจหวังว่าบาังคับได้เก่งๆแล้ววันนึงจิตจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานหรอกการบังคับกดข่มตัวเองทําตัวเองให้ลําบากลําบากกายลําบากใจ ค่ะช่วงนี้ติดเพ่งสลับกับควานค่ะเพ่งเรารู้ว่าเพ่งไปควานรู้ว่าควานที่ควานเพราะอยากปฏิบัติอยากหาอะไรมาดูทำไมอยากดูอยากปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็บางทางจะเห็นว่าเหมือนกับเรารู้แล้วละ่ะว่าถ้าเกิดจิตไปจับเรื่องนี้เนี่ยมันจะถูกแตก่ก็คือเห็นว่าเขาทำงานของเขาเองแล้ห้ามเขาไม่ได้ค่ะแล้วพอเขาจะวางเขาก็วา ง, ขงเขาเ อ, อเองนะนะ<า>เห็นอย่างนี้นแหละ เห็นจนรู้เลยมันไม่ใช่ตัวเราทำงานได้เองดีแล้วแต่จิตมีโมหานิดหนึ่งดูออกไหมซึมนั่นแหละจิตมันมีโมหะให้รู้ทันกรับนมสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะถ้าเทียบเป็นไตรามาสอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ย น, นะคะก็ไตรามาสที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอึด อ, อัดนะคะแต่พอมาไตรามาสนี้รู้สึกจะนิ่งๆเฉยๆก็อยากกลับเรียนธรรมหลวงพ่อว่า เออโยมต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมสิ่งใดไหมครรู้ได้ถูกต้องแล้วะเรียนรู้ลงไปเพื่อให้เห็นว่ากายกระใจเขาทํางานของเขาเองก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราเราฉลาดขึ้นแเราก็ไม่ไปเค้นเค้นมันนะเค้นมันก็หนักหนักแน่นๆเครียดเียดแข็งแข็งขึ้นมาถ้าใจมันเริ่มฉลาดใจมันก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไปดีแล้วล่ะขอบคุณค่ะอย่างบังคับตัวเองนะยมีเลิกรู้สึกไหมยังแข็งแข็งอยู่หน่อย ตื่นเต้นค่ะประโยคนี้ได้ยินทุกวันแต่ว่าก็ก็เรียนรู้ว่าตื่นเต้นก็คือให้มันตื่นเต้นไปเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นเด็กข้างบ้านเพราะว่าเราบังคับไม่ได้ว่ามันอยากตื่นเต้นก็ให้มันตื่นเต้นแล้วก็บางทีรู้รู้ลมหายใจอะคะ่ะก็จะรู้เหมือนกับว่าจะเห็นจะเห็นข้างในกายอะคะ่ะแต่ทีนี้คือสงสัยว่ามันมันมากเกินไปหรือเปล่าคะ อออือะไรมากคือ <ไป S 2> บางทีดูลมหายใจอะค่ะแล้วก็จะบางทีมันมันก็จะเห็นไปเห็นหัวใจมันมันเพิ่อ ม, มอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรเห็นได้ไม่เป็นไรบางทีก็เห็นเห็นกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะก็ดูไปดูไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูไปแต่ใจซึมนิดนึงดูออกไหมเอาสงสัยเป็นโรคประจำหรือดูหนาวโรคซึม <laughs> จิตมันซึมเนี่ยซึมน้อยลงแล้วรู้สึกไหมเนี่ย ที่มันซึมเพราะทำอย่างนี้แหละดึง อ, ออกอย่างไปเข้าช่องเนี้ยเข้าไปในเนี้ยก็ออกมาอย่าเข้าไปในช่องนั้นเออออกมาอยู่นอกๆก็เห็นอย่าบังคับอย่าบังคับ เห็นมันแกว่งไปแกว่งมาค่ะหลวงพ่อก็นั่งไปบางทีมันก็มัวแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาอ่าดีแล้วดีแล้วภาวออนา <laughs> น <laughs> ได้ได้ยังดือด้ออยู่ค่ะโอ้ย <laughs> <laughs> มันดื้อทุกคนแหละมันดื้อสิมันไม่ดื้อนะมันก็ยอมรับความจริงเป็นนานแล้ว <laughs> อย่างเราเห็นคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายนะเรารู้นะ <laughs> เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่เคยนึกนะว่าเรากำลังจะตายเราคิดแต่ว่าคนอื่นมันตาย ถามใจพวกเราว่ามีใครรู้สึกไหมว่าจะตายวันนี้อาจจะตายได้ในวันนี้ไม่รู้สึกหรอกรู้สึกเนี่ยใจมันดือ้อมันคิดข้ามข้างตัวเองไปเรื่อยๆนะอ้าวคุณยายวันนี้ทำไมมาคนเดียวน้องอ้อยเข้าไปอัดเรื่องที่กรุงเทพอะค่ะไปเลยนะเขาเชิญไปอ ะ, ะ่ะอ๋อไปบรรยายไม่ใช่คะ่ะไปออกรายการทีวีอะไรไม <ป S 2> <ะ>่ใค่ะ ไปเผยแพรกหลวงพ้อมีอะไรแนะนำบ้างไม่ทราบเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันทุกวันนะเจ้าค่ะคุณยายดูเพื่อให้เห็นว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันไม่ได้ดูเพื่อให้เหมือนกันนะดูอย่างนั้นแะบางวันจิตใจเราก็ท้อแท้เห็นบางวันเราก็สดชื่นเราไม่เอาเรื่องคนอื่นมาเราดูของเราคนเดียวเอาตัวรอดเอาตัวรอดแต่บางครั้งกิเลสมันจะชอบไปดูของคนอื่น ให้เรารู้ทันให้เรารู้ทันใจเราถ้าเราศึกษาอยู่ที่ใจเรานะมีแต่ความสุขนะให่เราทุกวันนี้ใจเรามันจะดิ้นรนหาความทุกข์หรือว่ามันไม่มีเรื่องกับคนอื่นด้วยสองเหตุผลหนึ่งอันหนึง่งด้วยตัณหาคือผลประโยชน์มันขัดแย้งกันก็มีเรื่องกันอันหนึง่งคือทิฏฐิความเห็นไม่ลงกันก็ขัดแย้งกันถ้าเรารู้ทันใจเราใจเรามีความอยากอะไรเงี้ยเรารู้ทัน หรือ <mister tumors> ใจเรามีความเห็นว่าเขาหน้าจะอย่างนี้เขาหน้าจะอย่างนี้เรารู้ทันนะเราไม่ยึดในความเห็นของเราใครยังไงช่างนะเราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ตอนนี้ก็เรื่องเรื่องช่างนี่ก็ช่างเข้าไปแล้วก็มันก็เบาสบายนั่นมันต้องอย่างนั้นมันถึงเวลาที่เราจะต้องเอาตัวรอดแล้วนะต้องตามกันไปนะครับก็อย่างที่หลวงพ่อพูดคือแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะแต่ช่วงหลังๆผมรสึกว่าผมจะฟุ้งซ่านแล้วก็ ราคากับโทรศัพท์ค่อนข้างเยอะครับก็ดีนะรูปไปไม่ต้องเข้าไปแก้ไขแต่ว่าถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าเราไม่ถือศีลห้าไว้เลยเราไม่ได้เก็บกดเนี่ยแต่ก่อนเราปฏิบัติธรรมเราชอบเก็บกดศีลไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เก็บกดอะไรเกิดขึ้นมาไม่ดีนักกฎไว้หมดอ่ะแต่ต่อไปนี้เราไม่เก็บกฎเราต้องมีศีลไว้ก่อนเช่นราคาเกิดให้เราเกิดเห็นสาวคนนี้เราชอบขึ้นมาหรือราคาเกิดให้เรารู้ทันไหม ถ้ารู้แล้วยังสู้ไม่ได้นะนี่มันเมียชาวบ้านเราก็มีเมียแล้วอะไรเงี้ยใจอยากผิดศีลเนี่ยไม่ทำยอมตายนะไม่ใช่ผิดศีลได้เั้นศีลเป็นรั้วกัน้นเสียศีลไปคือเสียความเป็นมนุษย์ไปศีลเนี่ยเป็นธรรมะของมนุษย์ฮิริโอตต ป, ปะนี่เป็นธรรมะของเทวดาฌานสมาบัติเนี่เป็นธรรมะของลมพวกอิทธิบาทศีล ม, มิหารศี งั้นอย่างใจของเรามีพรหมวิหารอยู่ใจเราก็เป็นพรหมใจของเรามีหิริอุตตปะก็เป็นเทวดาใจของเรามีศีลอยู่ใจเราเป็นมนุษย์มนุษย์นี่สําคัญนะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจประเสริฐใจใจสูงใจดีงามเพราะฉะนั้นใจของมนุษย์เนี่ยเป็นใจที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสําหรับการปฏิบัติธรรมงั้นพวกเรา แทนที่เราจะเอาใจของมนุษย์ปกติเนี่ยมารู้กายรู้ใจไปตามธรรมดาเราชอบไปดัดแปลงให้ใจของเราเป็นใจของลมซะ ก, ก่อนชอบไปทำใจให้นิ่งๆถื่อๆแล้วมารู้กายรู้ใจลมยังไม่เรียกว่ามนุษย์เลยนะมแต่มนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยเพราะเพราะใจของมนุษย์เนี่ยเป็นใจที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมใจที่สูงนั่นเราอยู่ในภูมิที่เป็นภูมิที่สูงที่สุดนะ พวกเทวดาเวลาเทวดาจะตายเนี่ยพวกเพื่อนๆจะคอยเตือนนะขอให้ได้ไปเกิดในสุคติคือได้ไปเป็นมนุษย์นะมนุษย์มีใจที่สูงนี่เราอย่าทำใจเราให้ต่ําก็แล้วกันเรามีศีลเสร็จแล้วเราก็มาเจริญสติเจริญปัญญาเราได้ใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอามาภาวนามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจมาเรียนรู้ความจริงของธรรมะของชีวิต การได้เป็นมนุษย์เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยอยู่ในภูมิอื่นๆมีโอกาสน้อยกว่านี้นะพวกเทวดาจะเพลินเพลินจะเผลอเผลอเพลินเพลินจะมีกิเลสตัวหนึ่งเยอะเลยชื่อว่านันทิราคะความเผลอเพลินประมาทง่ายพวกลมก็เพลิดเพลินไปอีกนะเพลิดเพลินไปในราคะที่ละเอียดกว่านั้นอีกในรูปในอรูปส่วนมนุษย์นี่ดี มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วนี่เอามาตามรู้ตามดูแล้วดีนะมันเห็นความจริงง่ายเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความเป็นทุกข์เห็นแต่การบังคับไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนนี่จิตใจอย่างนี้แหละที่เหมาะกับการปฏิบัติถ้าจิตมันนิ่ง3ามวันสคืนก็นิ่งอยู่งั้นนะจะเอาไตรลักษณ์ที่ไหนไปดูนั้นจิตใจของเราที่แกล้งไปแกล้งมานี่แหละดีวิเศษละ อย่าไปทําลายมันด้วยการไปเพ่งให้มันนิ่งๆหลายคนชอบไปเพ่งให้นิ่งที่คุณภาวนาะอยู่ดีนะดีแล้วค่อยๆดูไปใช้ได้ก็ของผมนี่จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนที่บางครั้งที่ผมจะเดี๋ยวนะขอโทษนะหลงละเบอร์ v 34ม่ะครับก็ส่วนที่คล้ายกับเมื่อกี้ก็มีบ้างแล้วกม็มีส่วนที่ เวลาคิดนชอบคิดอะไรไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยเปื่อยบางทีคิดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บปั๊บก็จะเปลี่ยนไปคิดอีกเรื่องไปเปลี่ยนเรื่องแบบบ่อยมากครับเป็นทุกคนนะถามคนอื่นก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่ว่าเราคิดมากกว่าคนอื่นจริงๆทุกคนคิดตลอดเวลาคิดตลอดยกเว้นจิตเข้ารวังก็ไม่คิดอะไรถ้าจิตอยู่ปกตินี่คิดตลอดเวลานี้พอคิดไปแล้วเกิดกุศลเกิดอกุศลให้เรารู้ทัน คิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ให้เรารู้ทันหรือจิตเคยหยับตัวไปคิดเรารู้ว่าจิตไปคิดอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่ใจจะตื่นในฉับพลันเลยส่วนมากจิตหนีไปคิดเราไม่รู้ว่าจิตหนีไปคิดเราไปรู้เรื่องที่จิตคิดบางคนยิ่งกว่านั้นอีกคิดอะไรยังไม่รู้เลยอพฉะนั้นหลงสุดขีดหลงสุดขีดถ้าจิตหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดก็เรียกหลงนิดหน่อยหลงเหมือนกันเพราะอะไรเพราะขณะนั้นจะลืมกายลืมใจตัวเอง เมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองไม่นั้นเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยนะในในแง่ของมิปัสสนาแต่ถ้าเพ่งกายเพ่งใจเนี่ยก็ไม่เรียกว่าหลงเป็นเพียงเพ่งไว้ได้สมถะนักปฏิบัติส่วนมากก็ไปติดอยู่ที่สมถะรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องพองยุบก็เพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้ายืนเดินนั่งนอนเพ่งกายทั้งกายส่วนใหญ่ติดการเพ่ง นคนทั่วๆไปก็เผลอนักปฏิบัติพอเมื่อไหร่เลิกเพ่งก็เผลอเมื่อ น, นั้นอ่ะตรงที่รู้สึกนี่ไม่ค่อยมีคนที่เข้าถึงมรรคนิพพานเลยมีน้อยเพราะไม่มีคนเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายรู้ใจต่างกับสติทั่วๆไปสติทั่วไปนะั่นรู้ในอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ใช้ได้ละ สติปัฏฐานต้องรู้กายรู้ใจถ้ากำลัเจริญสติปัฏฐานอยู่นะโลกยัไม่ว่างจากพระอรหันต์พระอรหันต์คือใครคือคนที่เห็นความจริงของกายของใจจนปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้นะส่วนพระโสดาบันคือคนที่เห็นความจริงของกายของใจแต่ยังปล่อยไม่ได้เห็นความจริงครั้งแรกเนั่นเป็นเรื่องกายกับใจล้วนๆเลยให้ค่อยรู้กายคอยรู้ใจการรู้กายรู้ใจฟังแล้วเหมือนธรรมะตื้นๆ น, นะ แต่ว่าสำคัญมากมันคือการเรียนรู้ตัวเองวันหนึ่งเราประจักษ์เราเข้าใจตัวเองเราเห็นตัวเองอิตามัสโลเป็นนักจิตวิทยานะะคนไหนที่เห็นตัวเองประจักษ์ตัวเองนิดสูงที่สุดที่มนุษย์ต้องการเนะี่ยคือการรู้จักตัวเองศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนให้เราหันมาเรียนรู้ในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจจนรู้จักตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเลยรู้จักว่ากายในี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอก แล้วตัวเราก็ไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือจากกายจากใจนี้ตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือความคิดล้วนๆเลยถ้าไม่คิดนะรู้สึกเอารู้กายรู้ใจจะเห็นกายกายับใจไม่ใช่เราแต่ถ้าหลงอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่กายกายับใจจะเป็นตัวเราขึ้นมาให้เรารู้สึกตัวเราหลุดออกจากความคิดเราก็เห็นความจริงเออกายนี้ไม่ใช่เรานะเห็นพิ่ชัยวันนี้มีโมหะเยอะครับแล้วก็ ฟุ้งซ่านหน่อยๆใจไม่ค่อยตั้งมันต้องมันน้อยลงอ่ะเออดีนะดีที่เห็นเป็นกลางไหมล่ะความเป็นกลางน้อยลงด้วยเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญจิตมีโมหะก็ไม่เป็นไรจิตมีกิเลสก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ด้วยความเป็นกลางแล้วใช้ได้ถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางเราก็จะเห็นเลยจิตจะมีกิเลสหรือจิตจะมีกุศลนะก็ไม่เที่ยงเหมือนๆกันทนอยู่ไม่ได้เหมือนๆกันบังคับไม่ได้เหมือนๆกันนี่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้ นั้นตรงที่ใจเป็นกลางเนี่ยตัวสำคัญในอภิธรรมถึงสอนว่าจิตสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่งั้นเวลาเรารู้สภาวะทั้งหลายแล้วใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันเช่นจิตมีโมหะเราไม่ชอบให้รู้ทันที่ไม่ชอบนะแต่จิตใจเป็นกลางเราก็เห็นเโมหะเป็นของที่แปลกปลอมมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งหมดเลยจะเห็นหนึ่งใจก็เป็นกลางเขพอใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเนี่ยใจชนิดนี้น่ะใกล้เคียงกับมรรคนิพพานเพราะว่านิพพานเป็นความไม่ดิ้นรนเป็นความไม่ปรุงแต่งไม่หิวโหยถ้าใจของเราหมดความหิวโหยหมดความดิ้นรนปรุงแต่งเราก็จะเห็นนิพพานได้ งันการที่เราภาวนาแล้วใจเราเป็นกลางมากเข้ามากเข้าด้วยปัญญาตัวนี้ดีมากเลยนะการภาวนาจนถึงจุดสุดท้ายที่ในฝ่ายโลกียะ เ, เราภาวนาไปถึงจุดที่เรียกว่ามีสังขารู้เบิกขายามมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารต่อความปรุงแต่งทั้งหมดเลยจิตมีโมหะค่ะพระอาจารย์ถูกต้องดีแล้วเป็นกลางไหมไม่ไม่เป็นกลางเป็นกลาง<ค>าถูกต้องอีกค่ะอ า, าจารย์ มัน ไ, ไหลเข้าไปอยู่กับเรื่องราวแล้วมันก็ชอบ อ, อ, อยู่อย่างนี้ค่ะดีละดีที่รู้ทันนะนไม่หลวงพ่อไม่ตําหนินะจิตมีกิเลสก็ได้นะขอให้รู้เท่านั้นแหละแล้วรู้แล้วก็ยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันได้ยิ่งวิเศษใหญ่ไม่จําเป็นว่าจิตต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางอะไรไม่จําเป็นจิตมันจะดีจะชั่วก็ได้นะจิตจะสุขจะทุกข์ก็ได้ดูมันไปอย่างนั้นแหละ ดูจนเห็นเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วของชั่วคราวเหมือนกันหมดเลยจิตเป็นกลางเพราะว่ามีปัญญารู้ว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวใจจะเลิกดิ้นห้าคุณึ่งช่วงนี้มีเรื่องคิดเยอะเลยฟุ้งซ่านเยอะค่ะแล้วจิตไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้หลวงพ่อสังเกตมาหลายวันนะช่วงหนาวหนาเนี่ยหมู่หะเยอะค่ะ โมหะมีหลายแบบพวกฟุงๆไปพวกหนึ่งนะฟุงซ่านอะ่ะฟุงไปพวกหนึ่งซึมซึมนี่คงคล้ายๆสัญชาตญาณพวกสัตว์ที่จําสีนะพวกหมีขัวโลกอะไรอย่างเงี้ยนะของหนูมันเจ้าเวียงค่ะพอฟุงซ่านพักหนึ่งก็ซึมค่ะเออ <c oughs> แบบมีขั้วโลกนะซึมซึมหลับหลับประหยัดพลังงานโมหะค่ะเออถูกออแล้วก็จะชอบแบบ ไปจ้องอะค่ะอืมดีดีที่รู้นะไม่ใช่ดีที่จ้องหรือยังบอกจิตมีโมหะหลวงพ่อบอกดีเนี่ยไม่ใช่ว่าดีที่มีโมหะค่ะดีที่รู้ว่ามีโมหะค่ะแล้วมันก็แบบไหลไปโน่นไปนี่อะค่ะไปเรื่อยไม่นานไหมก็มีนานด้วยไม่นานด้วยเออย่าให้นานนักนะนานน่าเกลียดค่ะหลงไปวับวับแวบแวบทอน่าเอ็นดูหลงไปนานน่าเกลียดดีละดีละ การภาวนาจริงๆแล้ไม่ได้ยากอะไรหัดรู้สภาว ะ, ะที่เกิดขึ้นในกายในใจหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเช่นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาให้รู้ไปเรื่อยๆจิตใจไปทําอะไรให้รู้ไปเรื่อยๆ <นะ S 2> เพื่อวันหนึ่งจะได้เกิดปัญญาเห็นจิตใจไม่ใช่เราหรอกทางานเองเะฉั้ น, <ะ S 2> น <ะ S 1> ต้องหัดรู้สภาวะการที่เรารู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาะ รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นแต่ถ้าเพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะนะถ้รู้กายรู้ใจหนึ่งจะเป็นมิปัสสนานะพี่ไวยได้อีกคนหนึ่งอสองวันนี้ที่เย็นๆนี่ก็โม <c oughs> มากคือว่ามีความรู้สึกเหมือนง่วงๆทั้งวันเลยแล้วก็รู้ว่าเป็นโมหะเสร็จแล้วก็คิดว่าเป็นกลางแต่พอมาคิดอีกทีแต่แก็สงสัยว่ามันไม่กลาง <c oughs> ทีเดียวมางมกลางนี้ คือมันมีความไม่พอใจนิดๆใช่ไห ม, มไม่อยากให้โมหะไม่อยากให้มโมโหนั้นแหละมันไม่กลางให้เรารู้ทันแต่ดูได้ยากหน่อยนิดๆเดียขัดใจขัดใจเล็กๆขัดใจเล็กๆขัดใจเล็กๆดูยากกว่าโทรศัล้วก็จิตยังไม่ถึงฐานดีอ้าตอบถูกอีกจิตไม่ถึงฐาน <c oughs> ดูได้ละเอียดดีดีแล้วอาจารย์อานาจท่านมายังมาถึงยัง ามาแล้วเหรออะไรนะเอาเหรอท่านชอบซ่อนแก้วเนี่ยเดี๋ยวท่านมาแล้วเขาได้นิมนต์ขึ้นมาอ่ะได้อีกคนนึงอ่ะผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกครับโดยปฏิรแล้วที่ผมฝึกผมจะฝึกโดยการมักจิตเอ่อโดยการกดูกายนะจากการดูกายแล้วทั่วไปสวนช่วงหลังมักเอ่อพอเท่าจะเข้าใจคำว่าดูเวทนา คือรับรู้ถึงในจุดอื่นบ้างนแล้วทวีธาและจิตและธรรมช่วงนี้ที่ว่าผมบังเอิญพอได้ได้ฟังเดบีดีของทางหลวงพ่อครับก็เกิดมาเพิ่งนึกถึงภาวะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ปฏิตอนผมดูกายช่วงหลังพอมันจะรู้สึกมากขึ้นอย่างเช่นว่ารับรู้ว่าบางทีหนึ่งที่เดืินจงกรมก็รับรู้ว่ารู้ว่าหายใจเข้าหรือออกด้วยผมตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นการรับรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นการที่ว่าจิตมัน โดดไปโดดมาม อ, อช่วงหลังพอรู้สึกครึ่งมีเมื่อไม่นานนี้ฮะรู้สึกละเอียดมากขึ้นในภาวะอย่างนี้เื่อรู้สึกรู้สึกชัดมากขึ้นก็เลยจะพอถึงมานี้เลยเริเรียนทมเพราะว่านี่คือเป็นการละเอียดที่รู้ละเอีย ด, ดมากขึ้นลง ล, งลงึกเข้าไปใช่ไห<ช>มครับของคุณมันยังมีปัญหาหนึ่งคือใจเราไปตรึงให้นิ่งมากไปครนะตัวนี้ต้องคลายออกซะสิ่งที่ผิดมีสองอันเผลอไปตามกิเลสไปเรื่องว่าความสุขิการนโยค นะบังคับกายบังคับใจเรื่องอตัตยกิลมัฏฐานโยกยังบังคับเยอะไปนิดหนึ่งนะดูออกไหมข่มมันไม่มากไปเราต้องไม่ข่มเขาเราต้องไม่แทรกแซงเขาเราจะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะถ้าเราไปบังคับกายบังคับใจกายกับใจเจนิ่งผิดความจริงแต่ถ้าเราไม่ไปข่มเขาเขาจะเคลื่อนไหวเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะแสดงไตรลักษณ์ได้ชัดเจนนะถ้าเราข่มให้นิ่งมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่มีแต่นิ่งๆนะค่อยๆสังเกตนะ อ่ะวันนี้เชิญโยมไปทานข้าว